เพืู่นบริบูบบบรณ์โดยทางดุลภาวนาของท่านพุทธศาสนาทุกประชุมทั้งหลายท่านอุบาสกบริกาทุกท่านใคร่บุญใคร่กุศลเราท่านทั้งหลายตั้งใจจะสร้างฐานาฐะชีวไม่ฆ่าชิดไมอนาคตจะเป็นท่านหญิงท่านชายท่านอุบาสกบริกาทั้งหลายเกิดมาอย่าให้ไร้ความหมาย เกิดมาให้มีค่าในชีวิตเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสอนแนวทางของชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยแจ่มใสและก็เดินทางด้วยความถูกต้องกรรมชตากรรมของเราไว้ให้ได้จากการกระทาของเราดีชั่วประการใดนั้นขึ้นอยู่กับเราด้วยกันทั้งนั้นดีชั่วประการใดนั้น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 คนไหนที่มีจิตดีมีปัญญาจะสแสวงหาแต่ของดีคนที่มีจิตที่ไม่ดีแปลสภาพจากธรรมชาติเป็นของไม่ดีชอบจะแสแวงหาของไม่ดีตลอดรายการตนเดินทางไล่สาละที่เข้าใจว่าตัวเองถูกต้องขอเท็จจริงมันไม่ถูกต้อง ต้นหรับในแนวทางชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วันธรรมโซนะตอนทั้งหลายเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลให้จิตใจให้เราจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในจิตใจอันนี้ต้องสร้างต้องทำด้วยของใครของมันจะเป็นถ้าสงองค์เจ้าอิลามาบวชหรือว่ามาบวชเป็นนวกะหรือบวชเก่าก็ต า, า, ามก็เหมือนกันไม่ได้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 แต่เหมือนการโดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นที่ทราบดีทั่วกันว่าปุชราธรรมะกว่ากุชราธรรมะทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วก็ทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วมีความเข้าใจด้วยกันทุกคนค้าขายก็อยากได้กำไรไม่ต้องการขาดทุนจะทำงานอันใดก็อยากให้งานนั้นสำเร็จ จะคิดอะไรก็อยากได้ใช่เวลาคิดให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตขั้นตอนเหมือนกันทุกคนแต่ไม่ต้องกล่าวว่าความคิดนั้นจะเหมือนกันหน้าหน้าจิตต่างจิตคิดไม่เหมือนกันและความเข้าใจก็ไม่เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมคำของพระองค์ที่สอนมานั้นเป็นแนวทางถูกต้องสอนให้เราทั้งหลายเดินทาง ด้วยความถูกต้องบำเพ็ญจิตเรียกว่าพัฒนาจิตให้จิตใจมันเข้มแข็งและอดทนทำให้เกิดแสงสว่างสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองการที่ท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมฐ า, านขอสรุปยอดถิตวามวาท่านต้องการสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองคนเรามีปัญญาไม่เท่ากันสมองก็ไม่เหมือนกัน ไม่จ้าต้องกล่าวว่ายัางอื่นฐานะที่เราอยู่กันก็ไม่เท่ากันเหตการณ์ของชีวิตก็ไม่ถูกกันวิญามารดาผู้ยาตายายตระกูลวงก็มาไม่เหมือนกันแต่ต่างกันมากนะักแต่ท่านผู้ใดใครที่ไหนหนอจะใช้เวลาที่มันเป็นประโยชน์แต่ในตระกูลวงของตอนจากที่เกิดในตระกูลของตอนนั้นสูตรแพทยแท้์สูตร ประสาทหรือจังทานในเหตุการณ์ดังกล่าวก็มาไม่เหมือนกันอีกเช่นอยู่กันจะเป็นประเภทใดก็ตามถ้าขยันหมั่นเพียรมีสติ ป, ปัญญาในตัวแล้วรับรองเหมือนเกิดมีแสงสว่างในตัวนั้นไปไหนไปรอดปลอ ด, อดภยัยไม่มีเสียดจังไรแต่ประการใดตกน้ำไม่ยหลยตกไฟไม่ไหม ไปที่ไหนก็ลํำรวยที่หนมีแต่กุศลมีแต่ผลบุญเพราะเป็นความจริงในพิจาเขาท่านสาธุชนทั้งหลายเราเกิดมาในสากลโลกหิีประพัสอนสีท่องใสามาแล้วแต่เรามาคลุกฝุ่นกันมายำ่ำยำยีบีทาบ่ายีปู่ยำหาโอกาสที่ลายสาระเขามาผสมประสานก็จิต ใ, ใจจิตใจจนฟุง้งชาาิ จ, จิตใจกวนสล ะ, ะวนวุ่นวายอยู่ตลอดเลยการหาความสุขสนุกสบายในชีวิตในใ จ, จิตใจไม่ได้เลยก็เนื่องจากเราไปหามาเองขอเทเจิงเราเป็นปกติธรรมชาติเหมือนกันทุกคนที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครเลยที่จะต้องรักษาความเป็นธรรมชาติเงไวให้มันอยู่โยงคงที่คงวาคงซอกมั่นคงด้วยสมาธิเราไม่ได้รักษาความเป็นมนุษย์ว ทำให้ความเป็นมนุษย์ตกต่ำเลื้อด้อยถอยหลังลงครองจนความสภาพของมนุษย์ก็หมดไปและธรรมชาติก็ไม่มีอีกเลยธรรมชาตินั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจคนเราทั้งต่ำสูงไม่เท่ากันจิตใจดำจิตใจดีมีปัญญาไม่เหมือนกันบางคนก็ล้อลุ่มกลุ้มใจสารวนวุ่นวายไปเอาทุกจอนนอกตัวเข้ามาหาในตัว คนที่มีปัญญาในตัวก็คือคนเจริญประกรรมฐานให้มีสติปัญญาในตัวเกิดขึ้นในเมื่อมีปัญญาในตัวเกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ท่านถึงจะแก้ไขปัญหาและจะไม่เอาทุกจอเข้ามาไว้ในสมองโดนบันดาลไว้ในจิตใ จ, จตลอดไปความทุกข์ความยากความละบากก็จะไม่มีแก่คนผู้มีปัญญาในตัว การเจริญกรรมาฐานต้องการจะสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองมื่อการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ไม่หมายความว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกันก็หาไม่ได้อันนี้มันอยู่ที่บุญวัสนาบางคนที่ไร้บุญวัสนานะจะทำไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สนใจทำจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาบวชก็ไม่สนใจ นานไปก็เลือนลางห่างไกลาจากความดีเช่นนี้พระคุณเจ้าองค์นั้นจะได้ดีได้อย่างไรไม่สามารถเป็นตัวอย่างต่อสาธุชนพุทธศาสนาไดก็เกิดขึ้นในพระพิสูจน์นั้นเลยพระพิสูจจึงแตกต่างกันไปเหมือนกันไม่ได้แม้แต่องค์เดียวเอตทัคคะไม่เหมือนกันเราทั้งทั้งหลายมีวิชาเอกไม่เหมือนกันบางคนวิชาเอากภาษางฤษ วิชาเอกวิทยาศาสตร์มันยังเหมือนกันได้อย่างไรเรื่องการชอบของเขาเล่าไปสู่ท่านการชอบอะไรก็เป็นวิชาเอกของท่านแต่ถ้าหากว่าชีวิตเป็นกลางวางอยู่ในจิตว่างแต่ไม่วางงานในการปฏิบัติของท่านเพื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วสอนตนเองได้และก็ต้องขยันสอนคนอื่นต่อไปได้เรียกว่าพระสงค์องค์ภาษา v o เป็นผู้ระพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นแล้วเรียวกว่าสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวากสังโฆสังขังนมนามมิขปเจ้าไว่ายมู่สงในหมูนั้นผู้ระพฤติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์จึงแยกแตกกันไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ต้องไปเลือกพระถ้าเลือกพระตามที่กล่าวสุปฏิปันโนนั้นท่านจะไม่ได้ทําบุญ จะหาโอกาสทําบุญได้ยากจะเป็นพระหนุงเหลืองหอมเหลืองชนิดใดก็าตามทําไปเชอะบุญมันอยู่ที่ใจยโยมมันไม่ใชอยู่ที่พระองค์นั้นจะทําไปกับพระองค์นั้นแล้วสังคังนามามิขปเจ้าว่ายมูสงผู้ทรงสังวรสิงผู้ทรงพระธรรมวินัยเป็นลุศิตาธาคตสังคังนามามิเป็นต้นขปเจ้าไว่ายมูสงในมูนั้น แต่สงในหมูนนหมนนหม่นั้นประพฤติดีก็ถูกหมู่นั้นไปถ้าประสงค์หมู่นั้นประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมันก็เลยข้ามไปไม่เป็นไรทำบุญได้ทุกอย่างละมาบินาบาทหน้าบ้านจะไปใกล้วัดหรือห่างวัดเราจะชอบไม่ชอบอย่าไปคิดนั้นคิดว่าเราทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปใส่บาทก็เชอะ คิดว่าสายบาดไปแล้วเราก็จะต้องสุปฏิปันโนสังฆังน้ำมามีข้าพเจ้าไหว้หมู่สงประพฤติดีปฏิบัติชอบโยมก็ได้บุญครบร้อยปอเซไม่จําต้องกล่าวว่าไปสแสวงหาพระที่ไหนแล้วสุปฏิปันโนจะหาได้ถึงไหนประการได้พระเป็นปู่ทุกชนทางนั้นไม่มีสู่ปฏิปันโนที่แน่นอนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เลย สาวโ้องปรุงติงสาของประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกรรมฐานแล้วก็สอนประชาชนเสียสละให้แก่กิจกรรมประสงค์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วประโยชน์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าประสงค์ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตอนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมตลอดรายการจึงท่วยเหลือประชาชนที่นําอาหารและบิธาบาสมาถวาย ทดแทนด้วยซึ่งการสอนเป็นประเบียบการของพระพุทธเจ้าสอนมาชานานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองสำารทั้งหลายถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานบำเพ็ญกิจภาวนาแล้วปัญญาท่านจะไม่เกิดในตัวอาจจะมีปัญญาในทางเรียนหนังสือทางวิชาการทางประสบการณ์ท่านั้น แต่ปัญญาในตัวนี่มันจะผุดขึ้นมาแต่ดวงใจทำให้จิตใจสะอาดทำให้เกิดละปะ่าเจาบมนทินและความเศร้าหมองชีวิตท่านจะปอลองรองท่านจะไม่มีอาฆาตูกพยาบาทดุริยาท่านผู้ใดมีแต่เมตตาตลอดการตัระวัสาสรจะไม่มีอาคติและหายนะต่อท่านผู้ใดอย่างนี้เรียวกับปัญญาในตัว คนที่มีปัญญาในตัวเกิดจากการเจริญกรรมาฐานผู้นั้นจะมีตเมตตาอยากจะให้ได้ช่วยอยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์คนนั้นให้พ้นจากทุกข์เหมือนอย่างเราที่พ้นทุกข์มาแล้วเป็นต้นเรายังมีสะละวนมีทุกขร้อนจะอกร้อนใจร้อนนอกร้อนในอยู่ตลอดเวล า, าแล้วเราขาดปัญญาในตัวจึงแก้ไขทุกข์อันนี้ไม่ได้ทุกร้อน ผ่อนคลายทุกอยู่ในใจตลอดการเวลาหาความสุขสนุกชีวิตในครอบครัวไม่ได้เลยมีแต่ความหายณะมีแต่ความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนขาดความอบอุ่นมากการเจริญกรรมฐานต้องการให้เกิดความอบอุ่นผู้ใดมีปัญญาในตัวผู้นั้นจะอบอุ่นเหมือนมีกระแสไฟในตัวมันจะอุ่นอยู่เสมอมันจะไม่ ไล่สาระอบอุ่นใจคนที่มีความอบอุ่นใจมีร่มโพร่มชายเป็นที่พึ่งแล้วนั่นแหะคือสมาธิมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกทึกษาจะยากดีมีจนประการใดมีแต่ความสุขตลอดไปหาเช้ากินข้ามหาท้านกินเช้าก็ยังมีความสุขนอนก็ดินกินกระชายก็ยังมีความสุข พราะมีความสนุกในจิตใจจิตใจไม่เลวละจิตใจไม่เป็นอาคูศนจิตใจไม่เป็นหายนณะแต่ประการาดชีวิต ท, ท่านจะแจ่มใสก็ะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานไม่เฉกขงง่ายแล้วก็ไม่เฉกขงยากท่านต้องมีบุญมีวาสนาท่านจึงมาเจริญกรรมฐานกันถ้าท่านไล่บุญวาสนาท่านไม่ต้องมานะ ล, ลุ่นห้าลุ่นทำไม่ได้ ถ้ไม่ได้เลยนะบางคนไม่เคยเลื่อมสายศรัทธามา ก, ก่อนภรรยาเข้ามาก็ว่าภรรยาภรรยามีศรัทธามากแต่ขาดสติขาดวิริยะไม่ค่อยสนใจปฏิบัติแต่มีศรัทธาอยากทําแต่ไม่มีความเพียรขาดบารมีอันหนึ่งก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไปสามีมาเห็นข้าว ก็มาดูเอ๊ะดีนี่นะพระท่ า, ทางอักษรดินถ้าใครทํากรรมฐานได้ก็จะดีขึ้นสามีไม่เคยศรัทธา ม, มาก่อนไม่เคยเลื่อนสายเพราะไม่เคยรู้เรื่อง น, นี้เพราะไม่เคยเขวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ประการใดเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมน่ะเป็นการเบียดเบียนเรืร่องเป็นการเลี่ยไ ร, ร, เ, ร, เ, ร, ย ร, รเข้าใจผิดเลยตัวเองก็ลองปฏิบททัติดูบ้างโดยมิยังไม่มีครูอาจารย์ พอปฏิบัตินั่งขเขาแล้วเกิดแสงเกิดสติปัญญาเกิดศรัทธาก่อนเกิดความเลื่อมใสชันทีเลยก็สนใจในการปฏิบัติขึ้นมานี่แหละท่านทั้งหลายโดยที่ไม่เคยศรัทธามาก่อนเลยก็ไปก่อนได้ผลดีกว่าภรรยาภรรยามีศรัทธามานานแต่ขาดความเพียรขาดวิริยะตั้งใจอยากได้บุญแต่ไม่ทำไม่ยอม อยากได้ข้าวแต่ไม่ทํานาอยากได้เงินกาแต่ไม่ค้าขายเหนื่อยยากไม่เอาขาดความเพียรก็เรียกว่าขาดบารมีแปลว่าความเพียรรับรองก็ไม่ได้ผลมันต้องสร้างบารมีด้วยด้วยการความเพียรอย่างนี้ต้องเจริญกรรมฐ า, านตลอดไปให้เสมอต้นเสมอปลายบางคนทําได้ก็เข้าใจาว่าตัวเองได้เลยก็เลิก แล้วก็สอนคนอื่นได้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วก็เกีย้ยกล้างต่อหน้าที่อีกดูวิธีปฏิบัติของเขาก็ไม่ได้ผลปัญญาในตัวมันก็หลี่ลิปลีลงเลยก็ปัญญาในตัวหายไปเป็นปัญญาเข้าข้างตัวเป็นปัญญาเข้าข้างตัวไม่ใช่ปัญญาในตัวอธิว่าปัญญาเข้าข้างตัวก็คือเอาแต่ใจของตอนเรียกว่าปัญญาเข้าข้างตัว เข้าข้างตัวเองเลยก็คิดอะไรถูกหมดตัวเองถูกหมดโดยที่ผิดพลาดอย่างน่าสุดายท่านคนที่มีปัญญาในตัวแล้วจะคิดมีเหตุมีผลทำอะไรมีข้างครึ่งแข็งแรง ม, มีต้นปลายมีหลักมีฐานทำอะไรก็หาเหตุหาผลตลอดรายการนั่นแหละเรียวกว่าปัญญาในตัวจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเวลา ปัญญานอกตัวมันไม่แก้ไม่ได้ปัญญานอกตัวหรือปัญญาที่เข้าข้างตัวเนี่ยมันจะคิดได้ว่านี่ที่คิดเนี่ยถูกต้องเลยเข้าข้างตัวมานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดเลยมานก็เข่ามากกะซิปให้เลิกเลยโยมาทำปฏิบัติว่างจะอยู่เจ็ดวันสาวันกลั บ, บไม่ตั้งใจทำนั่นเนี่ยคนประเภทนี้คนไร้ปัญญาแล้ว จะขาดวาสนาไม่มีบารมีต่อไปต้องสร้างบารมีคือความเพียรให้มาก ท, ที่สุดและบารมีนั่นสร้างเขาแล้วก็ต้องมีวิระยะนะแล้วก็ตั้งสติด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มันครบในเมื่อเรามีสติกําหนดจิตไ ด, ด้มันก็ครบเคลืองเรียกว่าบารมีเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นสติก็ดีสมาธิก็เกิด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 นักกรรมฐ า, านนี่เด็ดการยืนหนอห้าพลังสีตมาต้องพูดอยู่เสมอไม่มีใครทําได้ตอนไอ้สติยูุ่คจิตที่ดะยืนหนอที่สาธิตให้ดูหลายครั้งทั้รวมจากแปเชาวยืนเข้ามาที่ศักดให้มันได้จังหวะถ้าสติเจื่อจิตมันอยู่กันได้เลยไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่โลเลหลายหลักรับรองจะรูว้วาระจิตได้แน่นอน เห็นคนเดินมาเนี่ยจะรู้นิสารมันจะเกิดช้ำผัสเกิดจิตเราจะมีข้อคิดนี่เร็วกว่าปัญญาในตัวไม่เกิดแล้วทุกอย่างทําได้หมดเราจะเดินจงกลมก็ได้จังหวะจากโคนทําอะไรก็คล่องแคล่วไปหมดว่องไวรวดเร็วทำใจถูกต้องเป็นธรรมก็เกิดขึ้นในตัวท่านเองบางท่านก็ไม่เอานะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ได้ว่าบางคนเนี่ยไม่มีความเพียรเลย ไม่ได้ตั้งสติอยู่ก็จิตใจนั่นแหละปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นในตัวเองปัญหามันก็แก้ไม่ได้แถมไปช่างแต่ปัญหาเอาทุกข้างนอกมาไว้ข้างใ น, นทุกในก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋าอยู่แล้วจะไปเอาทุกขนอกมาทำไมทุกจรโทมนาสังก็มีอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายก็มีแต่ความทุกข์ปาทุกขของผู้อื่นมาอีก เอาทุกคนโน้นเอาทุกคนนี่ของพี่ของนององ้องของลูกของหลานเอามาเต็ดมันเป็นทุกเลยก็โทรมานัดสั่งสมมนัดดีอกดีใจแล้วเดี๋ยวก็โทร ม, มนัดดีใจแล้วก็เสียใจยเสียใจยแล้วก็ดีใจแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังในาตาอดทนไม่ได้ไม่มีการอดทนต่อเหตุผลเหนี้ไหนเลยท่านจะทนต่อเวลานะเวชนาที่กําหนดได้ ท่านก็จะทําไม่ได้นี่แหละจะไล่บุญตรงนี้ในเมื่อไม่มีเหตุผลแล้วก็จะทําำเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นได้เวลามันปวดเนี่ยนนเนี่ยมันจะได้ผลแต่ท่านนั่งเงยกาหนดไม่ได้ไม่ได้จังหวะและบางทีเพลินนั่งได้หลายชัวย่วโมงไม่รู้จักปวดเมื่อยได้สิทิ์ไม่ออกท่านคิดว่าฉันนั่งดีเนี่ยไม่ได้ผลครูไม่ได้มาดสอน ไม่มีใครสอนถ้าครูมาสอนเนี่ยมันจะปวดน่องปวดนี่แล้วเราก็แก้ไขพาครูก็สอนมันจะปูดขึ้นมาเองปวดหนอปวดหนอปวดหนอเดี๋ยวเกิดขึ้นตามอยู่ดับไปปวดในหายไปท่านทั้งหลายเ อ, อ่ยยิงปวดยิ่งดียิ่งจิตฟุ้งซ่านยิ่งดีเราก็จะได้สติใช่ต่อการงานแล้วนะ้าทีเราจะได้รู้ว่าอ๋อจิตมันออกกำหนดได้ ถ้าเรานั่งราสบาสบายมีแต่สมาธิขาดสติแล้วมันก็ไม่เหผลเนี่ยแล้วจิตมันออกไปก็มาถึงจะรู้ด่าว่ากาหนดจิตคิดหนอแล้วจิตมันก็กลับมานั่นแหละเป็นตัวตาราที่ปัญญาในตัวไม่ใช่ปัญญานอกตัวแล้วปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มันได้จากอื่นคนที่มีปัญญาในตัวเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้เอง ปัญญานอกตัวเนี่ยมันจะเข้าข้างตัวไม่มีปัญญาในตัวมันจะมีปัญญานอกตัวก็เข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลยก็เรียกว่าทิฐินั่นเองทิฏฐิมานะของคนเรามันก็เกิดขึ้นใครพูดอะไรโกรธเพ่องหาว่าคนอื่นพูดไม่ถูกต้องตัวเองถูกต้องเสมอไปนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละหนา คนที่ลายปัญญาก็เป็นอย่างนี้คอยจะคิดข้าวขังตัวเองตลอดเลยการกำหนดก็ไม่ได้อดทนก็ไม่ได้นี่แหละไม่มีทางบารมีต้องเพียรอดทนขันติบารมีด้วยมีความอดทนในขันตินการกรําหนดถึงจะได้ผลผลมันจะปรากฏชัดขึ้นมาเช่นเราปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ยิงปวดหนักกาหนดยิ่งปวดหนักอดสบไปปวดหนัก ปวดหนาปวดหนาได้กำหนดได้แล้วเวลาเลิกนั่งมันจะหายทันทีท่านสาธุชนทั้งหลายยกตัวอย่างให้เห็นท่านเคยหาหมอนวดไหมหมอนวดพอจับนิดเดียวก็ปวดแหละโอ้ยโอยเนี่ยนะแต่หมอขยำจับเส้นไม่ถูกมันไม่ปวดเพลนอยากจะหลับไม่สบายดีแต่ยังไม่หายลกบีบยังไงก็ไม่หาย ถ้าหมอที่จับเส้นเป็นเขาค่อยไม่ค่อยบีบไม่ต้องบีบแรงพอเอามือกอดไปโอ้ยเลยปวดปวดโอ้ยโอยพอเขาเลิกบีบแล้วหายเลยนั่นแหละแบบนั่งกรรมาฐานก็เช่นอยู่กันถ้ามันปวดมากหรืออะไรแต่ไรนั่นแหละมันถูกแบบแล้วเราก็ตั้งสติเหมือนหมอนวดจับเส้นเห็นมันถูกยิ่งถูกมันยิ่งปวดยิ่งถูกมันยิ่งปวดและยิ่งถูกมันก็เครียใจย หลักมีการกำหนดจิตนั่นแหละท่านถึงจะรู้ว่าปัญญาในตัวเป็นอย่างไรบางทีเนี่ยท่านนั่งสักสามสิบนาทีไม่ไม่ได้เอาทนต่อไปตาให้มันตายตายให้มันตายเดี๋ยวนั่งด่าเป็นชั่วโมงนี่แหละเหมือนหมอดูหมอนวดมาจับเส้นแลีมันปวดจริงๆนะหมอเขาเข้าใจจับเขาจับในเล็กๆในน้อ ย, อยก็ปวดแนละ้ว ไอ้หมอขยาเนี่ยแหมสบายมันเพลิดเพลินในอยากจะหลับมันก็ไม่หายโรคหายภัยไข่เจ็บถ้าเรากําหนดนี่มันปวดเลื่อเกินนั่งหนึ่งชั่วโมงจะตายจะแทบจะตายเลยเอาอดทนต่อไปขันติธรรมทนกราบกรามทนลำบากทนต่อเจ็บแล้ววยปวดข้าวทนต่อความเจ็บใจได้ก็มีสติขึ้นแล้วกํากหนดปวดหนอปวดหนอปวดหน อ, ป ว, หนอปวดใหญ่ หนาข้าวเกิดขึ้นตามอยู่ดับไปพอเราเลิกทำกรรมฐานเลยก็คล่องแคล่วปวดนั้นจะไม่เป็นแล้วมานั่งอีกไม่ปวดตรงนะ้ถึงจะปวดก็น้อยลงไปนั่นเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ปวดแล้วเลิกเลยเหมือนหมอนวดจะบีบให้จับเส้นให้ย่อนพอจับหน่อยโอ้ยเลยเลยเส้นก็ต้องตึงตามเดิมแม่ก็มันก็ไม่หายปวดหนาข้าว กดลงไปกดลงไปคลายเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอยอยอยทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยพอเส้นหย่อนปั๊บทาอะไรก็สบายชั้นใดก็ชนะเพราะฉะนั้นความดีต้องมีอุปสรรคอย่างนี้เสมอไปแต่ทั้งหลายผู้ทํายังไม่อดทนบางคนพอจะปวดเมื่อยหน่อยเลิกแล้วและทนไม่ได้เลิกตามใจตัวเองใช่ไหมในเมื่อตามใจตัวเองเช่นนี้แล้วท่านจะไม่ได้ผลในการปฏิบัติเลย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 ไม่ถูกต้องกร็ตามคันลองแต่ประกาศใดคนที่กําหนดได้เหมือนหมอแพทย์ตักษาโลกหายรู้สมุดฐานของโลกว่าเราหน่งไปแล้วเนี่ยสมุดฐานมันอยู่ตรงไห น, นคือตติปฐานสีเป็นสมุดฐานตายาโนปัชนาถิปฐานกายยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแหลวขวาขูยเยขาตั้งสติไว้นั่นสมุดฐานของกาศเวทนา ทั้งขาวิญ ญ, ญาณลูกเวทนาทั้งยานทั้งขามีลาลูกก็คงเป็นลูกธรรมดาทั้งยานทั้งขามีลาลูกก็เป็นตัว น, นา ม, มาทำปวดเวทนาก็เป็นนา ม, มาทำมีทั้งลูกทั้งนามาเอาสายลูกเกิดมันชังปวดขาใ น, นลูกปวดหนอปวดหนอเอาตายให้มันตายกําหนดไปกําหนดไปอยากเข้าสมาธิเกิดขึ้นในตัวมันจะหาย พ่หาเสร็จแล้วเลิกนั่งสบายมากคล่องแคล่วว่องไวกลับเส้นหย่อนลงไปอีกแล้วมานั่งอีกก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายจับจุ ด, ถ, ดถูกแล้วกรุ่มใจเลอะเกินกลุ่มใจแล้วเลอกรุ่มใจแล้วเลอกเสียใจแล้วเลิกแล้วเวลาอารมณ์ดีก็มานั่งปฏิบตัติท่านจึงไม่รู้ว่ า, าความรุ่มนั้นมาแก้อย่งางไร ทันเรื่องรักทานเรื่องหลงเรื่องหึงมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากหาธรรมะอยากจะฆ่าอยากจะแกนกันอยากจะด่ากันไม่หาธรรมะแลวก็ทะเลาะวิวาทกันถ้าหากว่าเกิดขึ้นอย่างงานเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมถึงจะรู้ของจริงบออ๋อไม่สมควรเลยที่เราจะไปด่ากันไปทะเลาะกันมันเสียเวลานี่น่ปัญญาในตัวมันจะออกบอกนาะ แต่เราก็ไม่เอากันอีกมันถึงจะขัดคอมันถึงจะทะเลาะกันตามสาทุชนพุทธบุตรัตวทั้งหลายถ้ทาท่านเจริญกรรมาฐานได้จริงท่านจะรู้ว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากตัมมาพูดอยู่เสมอมาทีพูดดีแสนดีถึงจะเข้าใจพูดร้ายด้วยกันมันจะเข้าใจไหมถ้าเรามีสติดีคิดหนอคิดหนอ เจ็บใจหนอหรือโกรธหนอโกรธหนาโกรธหนอะกระทั่งที่มันด่าเราพูดลายให้ลายฝ่ายสีเราแต่เรากำหนดต่อสู้โกรธหนอโกรธหนอะถ้าจิตภาวะสู่ความเป็นปกติมีปัญญาในตัวเรียความโกรธจะหายไปจะไม่ฟังความโกรธไว้ในใจ จะไม่เก็บมาไว้ในจิตใจอีกต่อไปนี่ถึงจะเรียกว่าปัญญาในตัวบางทีใครมาว่าอะไรโกรธเลยโกรธถามลูกหันค้ามไม่รู้จักจะหมดเวลาเหมือนอย่างสามีภรรยาคนประทานทอดโกรธกันกระทั่งต้องเก็บเป็นเดือนๆโกรธกันเป็นเดือนเลยไม่ได้นอนด้วยกันกินข้าวก็ไม่อยากจะรวมตัน เป็นเดือนเลยเนี่ยมันเพราะอะไรนะเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่มีปัญญาในตัวไม่มีความอดทนโกรธแล้วไม่อยากมองหนะน้านี่ละมันเป็นอย่างนี้ไอ้ปัญญานอกตัวเนี่ยมันเลวจริงขนาดมันเสียงานไหมแล้วกับสามีภรรยานี่โกรธกันเป็นเดือนนี่มีตัวอย่างครับแล้วทีนี้งานการก็ไม่เดินเขาเป็นเจ้าของโรงแรง โรงแรมเกิดมีปัญหาสามีภรรยาไม่ต้องปรึกษาการเพราะไม่พูดการปัญญานอกตัวทิฐิมานะต่อกันถ้ามีเจริญกรรมาฐานอดทนไดน้จะได้รู้ได้ว่าอ๋อเรามาโกรธกันทําไมเล่าโรงแรมเรากิจการจะดีก็กลับซบเาวแล้วเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ซบเาวเพราะว่าเจ้าของโรงแรมทะเลาะกัน สาโของโรงแรมนั้นทั้งสามีภรรยาทั้งลูกยิ้มแย้มแจนสใสไอ้คนงานในโรงแรมนั้นมันก็ดีใจมันก็ตั้งใจทำงานนี่สามีภรรยาหนะ้ามันยากมันมานทำให้ลูกเล็วลูกกวานการทูในหมู่นั้นก็ลวนไปด้วยก็ไม่อยากจะทำงานงานก็ไม่เดินขึ้นนี่เห็นได้ชัดไหมแต่ทั้งหลายเอ่ยจับจุดให้มันถูกต้องการกาหนดนี่สาคัญมาก ไม่ใช่วางประทัมได้ทุกคนดูหน้าก็รู้หรอกไม่อดทนอะไรเลยนะบาทีหน้าพลิกแล้วพริกอีกพลิกอีกพลิกแล้วกาหนดไปเรื่อยๆนาเข้านะเข้ามันจับจุดเหมือนหมอนวดจับเส้นค่อยๆยันะนับปวดหนาแทบดินแล้วมันหายจริง ๆ, ๆเก็บเย็นได้ต่อภายหลังแต่กินของขมไม่อยากกินเลยเนาะ โบราณท่า น, นว่าไว้ขืนอมขมเกรินก็าตามหวานเป็นขนมขมเป็นยาก็าตามนั่นแหละมันก็แบบอยู่กันนี่แหละถ้าเราปวดเมื่อยตรงไหนหมอเขาจับเข้ามันจะหายถ้าบีบมันไม่ถูกเช่นมันไม่มีทางหายและไม่ปวดด้วยเราน่าปวดตรงไหนกําหนดตรงนั้นปัญญาในตัวก็จะเกิดขึ้นท่านจะไม่ปวดเมื่อยต่อไปต้องทนต้องสู้ ท่านนั่งมาเนี่ยไม่เคยประสบความเวทนาไม่เคยประสบความทุกข์ยากกิดออกไปท่านไปโดนขึ้นสัญจะเบ้เลยนะสันจะเบ้เลยไม่อดทนแน่นอนโดนหนักๆเบ้เลยเบ้แน่นอนที่สุดขอเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนก็ไม่เอาเหรือเอาได้มีความหมายอย่างนี้แน่นอนแล้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ บางทีอะพระมาบวชกันเนี่ยถือวมานั่งกรรมฐานบางองค์ท่านก็ไม่เอานี่ยังเนี้ยแค้นกันไม่ได้หรอกแล้วจะศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาก็เป็นเรื่องเจ้ากรรมเจ้าเวรเจ้าเวรเจ้ากรรมให้ไม่เอาก็เลยไปเราให้ทุกวันบางองค์ก็ไม่เอาหาเรื่องหาเล่ห์หาโจษหาจําเนินหาเรื่องนอกประเด็นขยันนอกหน้าทิกการงาน คนเราเนี่ยต้องขยันในเฉพาะในหน้าที่การงานของตัวเองแต่เขาคนไหนขยันนอกหน้าที่การงานไม่ใช่เป็นงานของตอนรับลองเจ้งทุกหลายไม่ได้ดีไม่ดีหรอกนี่ตรงนี้สาคัญการเจริญกรรมาฐานมีการขยันหน้าที่ในการงานและรับผิดชอบตัวเองออรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบในว่างสามีภรรยาเข้าใจกันดีพูดรู้เรื่องง่ายจะพูดกับลูกลูกก็เข้าใจงนะ่าย ลูกจะพูดกับพ่อแม่ก็เห็นใจลูกเขาลูกเขาก็มีปัญหาเราก็มีปัญหาคนละอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่เขาไอ้ปัญหาของเราก็มีไอ้ลูกเราเป็นเด็กมันก็ชอบทุกชทรมนเป็นหนุม่มเป็นสาวก็ชอบเที่ยวเป็นธรรมดาต้องมีปัญหาหนุม่มสาวเราก็จะต้องให้เขาบ้างบางอย่างจะไปกากลูกไว้หมดเลยนะจะทำให้ลูกลำบากทําให้ให้ให้กดดัน ทำให้เครียดนะอย่าไปกากลูกหมักนักต้องรู้ใจลูกหมักนี่คือกรรมฐานกรรมฐานจะได้รู้ใจลูกลูกไปเนี่ยเสียหายไหมเข้าไปกับเพื่อนหญิงเพื่อนชายจะดีชั่วประการใดเราเป็นพ่อแม่เขาต้องรู้ด้วยปัญญาในตัวไม่ใช่ตามใจลูกจะไปไหนก็ไปตามอัจฉยาสายอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ก็จะจะกากไว้ก็ไม่ได้เพราะเพราะทาให้ลูกกดดัน ทำให้ลูกกดดันทําให้ลูกก็เป็นโรคประสาทขอฝาท่านไปเลยนะสิงเทศกับการใดท่านไปตีความหมายได้หละลองไปกากลูกกากหลานกาลังจะรุ่นกระทงรุ่นหนมรุมร่นสาวไม่ไปน่ะดูเดือนดูตะวันเลยรับรองลูกหลานท่านจะเป็นโรคประสาทและเป็นโรคเครียดเป็นลูกเป็นโรค ก, กลัวเป็ลูกขลาดเราอย่าไปกาก อย่าไปกดดันลูกหลานนะนี่เนี่ยคือกรรมฐานเราก็ไม่ใช่กดดนันทีแล้วนั่งกรรมฐานหนู่มผล่คลายผ่อนชันแล้วเราก็กําหนดอยู่เช่นคิดหนอคิดหนอตั้งสติไว้คิดในเวลาเดียวกันหลายเรื่องอย่าคิดในเวลาเดียวกันคิดเป็นเรื่องๆ เ, เดี๋ยวก็สติก็ดีขึ้นความคิดนั่นก็แจ่มใสแล้วไปเห็นลู่เห็นทางเปิดฉากไปเห็นอเมริกา ปิดฉากมาเห็นโนเห็นนี่ทุกอย่างบางทีเปิดฉากมาแล้วมองไม่เห็นมันมืดแปดด้านเลยญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยเข้าเถื่อนต้องเตรียมพระคนเข้าป่าต้องเตรียมมีดพรากระทาขวานไปตัดฝากขวานไ อ, ไอ้ไอ้หนามันจะขวานออกไปถากทา ง, ทางนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเข้าป่าเข้าเถื่อนเตรียมพระเข้าป่าต้องเตรียมมีดพรากระทาขวาน ก็ฝากหนามันมากอุปสรรคมันเยอะเย่าเหลือเกินต้องเตรียมมีดเตรียมขวานทนทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานต้องเตรียมหามมดพราคืออาวุธปัญญาวุธโธท่ทานจอมีปัญญาจะจำตัวเอาไปแก้ปัญหาคืออาวุธการเจริญกรรมฐานต้องการมีอาวุธจะจาตัว เหมือนท่านเข้าป่าไม่มีมีดทากระทาขวานเลยท่านจะเอาอะไรไปฟันต้นหมากลาบไม้ที่ไม้ขวางทางน้ําก็มากอุปสรรค ก, ก็เยอะแต่ท่านขาดมีดทากระทาขวานท่านจะไปไม่รอดท่านจะสร้างบา้านซะหลังนึงต้องไปบุกเบิกก่อนลองไปตัดต้นหมากลาบไม้แล้วทําทวนดินทําหน้าดินดูดิ น, ด, ด, นดูอะไรสะก่อนถึงจะปลูกเรือนได้บุกเบิก แน้วเราเนี่ไม่มีการบุกเบิกใช่หรือแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีอาวุธปัญญาอาวุธโถแต่ท่านมีปัญญาในตัวแล้วแต่จะใช้ปัญญาไปบุกเบิกนั่นคือกรรมฐานปัญญาในตัวเป็นการบุกเบิกจะไปทางไหนก็ประเสริฐคิดอะไรก็เงินไหลนองทองไหลามาจะทิค้าขายก็ได้กำลังจะคิดรับราชการก็ได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ จะเป็นครูมาอาจารย์ก็ได้อาจารย์สามอาจารย์สองอาจารย์สามเป็นตน้นระดับเจ็ดระดับแปดก็ว่าไประดับเต่าก็ไปตามขั้นตอนที่มีปัญญาของตนเอ ง, เองชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่แหละเข้าเถื่อนก็เข้าป่าเรามาจเจริญกรรมาฐานต้องการจะหาอาวุธติกตัวเอง ปัญญาวุธโธอาวุธนี้น่ะปัญญาการแก้ไขปัญหาเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคคือคกิเลสนาประการที่มันร่วมลุมลบใจกายเถื่อนแท้ซึ่งอื่นจะหายหาหอนมีลือเว้นจะเอาความดีเข้าไปแก้กลับลายกลายดีมีปัญญานั่นคืออาวุธกองเตรียมตาชั้ในใบัดนี้ต่ะไปอาวุธที่ไหนท่านจะเสียใจเนี่ยผายแกมันจะแย่เท่งถึง มีลูกมีหลานขอเจริญพร อ, อย่าไปกดดันลูกนะอย่าไปกักให้มันเกินไปให้โอกาสลูกหลานบ้างให้ลูกหลานเลืมตาปากดูเหตุการณ์ของโลกมนุษย์ยุคใหม่สมัยนี้บ้างแต่ก็อย่าให้มันเลองอย่าให้มันละเลงอย่าให้หลงในนอกลกูนอกทางเท่านั้นดูแลเท่านี้ก็พอแล้วเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแพงแม่ตาให้ลูกหลาน รับรองไปรอดเนี่ยลูกหลานจะไปเหนือมาใต้ก็ต้องกลับบ้านจะไม่ผิดหวังในชีวิตของอาวุธอาวุธนี่เป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบหมายมาเราก็เอาไปทิ้งทําไมเล่าคือศีลสมาธิปัญญาหนาสิไดยมากมีอาวุธก็ไปทิ้งท่านจะใช้อาวุธอะไรครับนี่จะเปรียบเทียบไรท่านฟังเข้าเถื่อนเคลี่ยมผ้าเข้าป่าเตรียมมีดผ้าชาขวาน ทำไมนี้มีท่าทาขวานท่จะไปปลูกบ้านบลูกเบิกได้อย่างไร้ายชีวิตจะแลนแค่ชีวิตจะไม่มีแปลนแะแผนถังจะไปปลูกบ้านถูกเรือนจะเชื่อใจกับหลายล่ามีลูกมีหลานก็ตัดเตือนว่ากลาวแล้วให้เขาไปเที่ยวตามอาการเวลาของเขาบ้างเขาจะเป็นหนุม่มเป็นสาวอย่าเป็นเด็กมันก็ไปซนไปตามเด็ก แต่แล้วก็ดูเหตุการณ์อย่าให้มันชนเกินไปอย่ามันเสียข้าวเสียของเสียการเวลาเสียเนื้อเสียตัวสงวนศักดิ์ศ ร, รษษีในหน้าที่ของหญิงและชายเท่านั้นเองก็เป็นการเพีงพอนี่แหละอาวุธการเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างอาวุธให้ประจำตัวจะเหาะเหินเดินอากาศก็จะได้ใช้อาวุธอันนี้เราจะมีปัญหาใดก็จะได้ใช้อาวุธอันนี้ จะทะเลาะวิวาดกันก็ใช้อาวุธอั น, นเราจะได้รู้ว่าควรทะเลาะอันนี้เปล่ามันเสียเวลาเหลือเกินไปนั่งทะเลาะกันทําไมเรานึกถึงเราความรักกันเรานึกถึงความดีซึ่งกันและกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันเลยท่านพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยพี่น้องก็เช่นอยู่กันแต่เราจะโกรธใครอย่าโกรธหมดแต่เราจะเกลียดใครอย่าเกลียดหมด เอาไว้รักกันในอุณภายหน้าจะได้มองหน้ากันได้แต่เราไปโกรธไปเกลียดเขาทั้งหมดร้อยเปอร์นถ้าเกิดจะรักเขามากก็วางหน้าไม่สนิทขอฝ า, ากว่าแต่เราจะรักกันจนหมดตัวหมดตัวพันคัวอยู่ในกิเลสถ้าเกิดเกลียดเกิ ด, เกดแตกแยกกันไปแล้วจะวางหน้าไม่สนิทควรจะเอาแต่ครึ่งเดียวทำอะไรก็อย่าให้มันหละหลวมเกินไป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 ไม่ให้เราไปนรกเรดอสุลกายศปิเลฉานี่ต่อไปติดประตูได้ไม่ต้องไปนรกนแน่นอนท่านทั้งหลายอื่นอย่างดีท่าน้าไปสวรรค์สมนุษย์สมบัติไปเกิดในแห่งผลที่ใดประกานใดท่านจะไปเกิดในบ้านเศรษฐีมั่งมีสิริสุกตลอดรายการรายการที่สองนั่งกรรมาฐานจเจริญกุศลมีปัญญาท่านจะไปเกิดแห่งหนตำบลใด จะไปเกิดในบ้านแสนสุขบ้านสนุกสบายมีแต่คนบนัณฑิตมีความคิดสูงมีญาติพี่น้องทั้งหลายเป็นปาราชญ์ตวีมีปัญญาทั้งหมดจะไปเกิดแห่งโหนตบลใดที่น่าจะมีทั้งเวชศาสตร์แพทยศาสตร์สมพยาบาลอยู่ข้างใจคิดในมนุษยบัติประการที่สี่จะไปเกิดแห่งโหนตบลใดจะไปเกิดโดยที่ใกล้มหาวิทยาลัยมีให้ลูกหลานเรียนได้ใกล้ชิดประการที่ห จะไปเกิดแห่งหนตมบลใดจะไปไม่ไปเกิดในบ้านธุระกัดานจะไปเกิดในบ้านที่พัฒนาเลยดีแล้วบ้านเมืองเจริญแล้วเราก็ไปอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญมีถนนทนทางมีน้ำมีไฟให้ความสะดวกสบายทุกประการนี่การเจริญกรรมฐานเบื้องต้นถ้าท่านมีสติกาหนดได้จากโลกมนุษย์ไปแนะนีสัยท่านก็จะได้ไป สวรรค์อย่างตามไปกลับมาเกิดไม่สามารถจะประเสริฐในอนาคตท่านก็จะไปเกิดในบ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองวัฒน า, ารรมพรย่างกล่าวแล้วมีลูกหลานก็เป็นคนดีหมดสามีภรรยาเหมือนสามีเป็นเทพบุตรภรรยาเป็นเทพธิดาอยู่ด้วยการลกสมัาริมารละไครตลอดมาเป็นคู่สร้างคู่สม ไม่ทะเลาะวิวาดกันตลอดเลการนี่เนี่ยคือคู่เทวดาอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยการเจริญกรรมฐานเป็นบทความที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ว่าของหนา้าแล้วก็ไม่ใช่ของยากคนที่ปฏิบัติกรรมฐานจะไม่มีทิีิจะไม่มีทชี้ม น, นะจะไม่มีการแหน่งแทงใจจะไม่มีทางเฉืนอยเฉืนกันไม่แต่อนุโมทนาสาธุสาธุอยู่ตลอดเลยการ จะไม่มีแข่งดีแข่งชั่วกันมีแต่โมทนามีแต่ให้อภัยซึ่งกันและกันมีแต่เมตตาอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้อยากจะให้คนนั้นอยากจะให้คนนี้ตลอดไปนคนนั้นคือนั่งนังกกรรมาฐานมากต่อสู้ชีวิตนี้ต่อสู้แล้วชววีมีอดทนแล้วท่านจะได้เป็นทองคาต้องสู้ไฟได้ทุกชนิดทู่น้ําปรดได้ ที่เหลียทั้งหลายไม่กลัวท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมโพโ ร, รวบชายเหมือนไม้ใหญ่ต้องสู้ลมลมพัดยังไงไม่มีหักต้องสู้ลมตลอดเลการนั่นคือขันติธรรมอดทนตลอดเลยการใครจะด่าจะว่ายังไงก็ไม่สนใจแจกราการได้ไม่สนหรือจะเน็บแหนมแกไปชดแหนมหนบเน็บอยู่ในหัวใจ จะหยีเล็บจะเจ็บเนื้อจะเหลือวิสัยก็ตามจะไม่โกรธจะไม่เหน็บแนมท่านผู้ใดจะไม่เสียดสีท่านผู้ใดอีกและก็จะไม่ปากว่าตาขยิบอีกต่อไปจะไม่ฟื้นฝอยหาจะเทบจะไม่หยิบเล็บเจ็บเนื้อต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้านั่นคือนกรรมฐานจะมีบทความดังเดชแจงแสดงมานะปัตมีอาตมาภา ขออานุโมทานาจาดุการแก่ท่านหญิงท่านชายท่านอุบาศอกอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนาท่านเป็นท่านหญิงจะเป็นสาวจะเป็นคุณลสตรีสร้างความดีเบญญการสวยสดงดงามในกุลสตรีแล้วขอให้สวยทั้งสีสวยทั้งสดงดงามตามระเบียบใจก็งาม หน้าตาก็สวยจิตใจก็ดีมีปัญญาอารีเอารอบเอือเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดการโอบอ้อมอารีวจีก็ไพาะสงเคราะห์ทุกคนท่านวางตนเป็นกลางยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการตลอดกาลเวลาไม่มีอคติแต่ท่านผู้ใดเลยนี่คือกรรมฐานเบื้องต้นชีวิตกมลชั้นดาน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 อาหากวาท่านทั้งหลายจเจริญกรรมาฐานสามีภรรย า, ยามไม่ทะเลาะบ่แว้งซึ่งกันและกันแล้วเกิดสดใสมีปัญญาเทเพเจ้าจะเอาเทวดามาเกิดก็เสอร์ที่สุดแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าจิตใจท่านดีมีปัญญาไม่โศกปลอกจิตใจสะอาด อาจจะมีบุตรนปลาจะมาเกิดอัจใจใยท่านสกปลอกสัตว์นรกจะมาเกิดเขี่ยงพอเขียงแม่คำไม่ตกฟ้าลูกลลางไม่สวยจิตใจก็ไม่รวยน้ำใจก็ไม่มีอา่านสะอาดนอกสะอาดนายสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันหลับนอนก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนามีมสติตั้งอยู่เสมอ รอนถึงเทพพิจาเอานักปราดมาเกิดในบ้านนี้ได้ปริยาเอกนักปราดมาเกิดอยู่ ด, ดีกินดีมั่งมีสีสุขท่านประกูลวงบ้านไหนจิตใจลามกโฉกปลกขรัพย์โลกมาเกิดเทียงพอเทียงแม่คำไม่ตกว่าเหยอยเยี่เขี่ยวยิงฟันเหมือนยากเหมือนมานไม่มีความสุขความเจริญสำรามชีวิตแต่ประการใด อาตมาภาพขออ่านอุมโมทนาจะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายปีสองพันหร้อยสี่ศูนย์สี่สิบนี้ก็ขอจงเจริญทำจเจริญกิจกรรมสร้างกุศลระมโดยการเจริญพระกรรมฐานกายกรรมสามวัชีกรรมสีมโนกรรมสามให้ได้ผลสมค่าตาชนา เนรธรรมปฏิบัติธรรมเดชเจริญซ้นนภาวนาปัญญาท่านก็จะเกิดลำเลือดทุกประการไปไหนมีจะความสุขความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรมีจต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสงสารสัพพะทร้งายรู้วาละจิตของสัตว์ที่จะเกิดและจะตายรู้วาละจิตสังสารในโลก และสวรรค์จะได้แผ่มเมตตาอนุมโมทนาสาธุการตลอดกาลประวัติาสร์โดยถั่วหนากันขอทุกท่านจงจเจริญธรรมปฏิบัติกรรมฐานลูกพลานจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลเวลาด้ย อ, อำนาจตามทื่นภาวนานี้ขอดนบรรดาลให้พุทธบริษัททั้งหลาย ออกนามไพ่บูรณในประพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถวนากันขอทุกท่านจงกระเรินด้วยอายุวันนะสุขาภลาปิตานถนาดร้านลสมบัตินึกคิดซึ่งหนึ่งประรการใดขอให้สมมาต ร, ราธนาด้วยการทุกทุกท่าน นาโอกาสบัดนี้เธิไปข อ, อยาจมเห็นใจกรรมามากบ้างปกติคือไม่เคยภาคสว่างทุกคืนมามาวานก็มีหลายทัพจัดเข้ามาในวัดมีมากมายหลายประการในวันวานนี้ยินดโดนิเซียก็มาด้วย ต่างชาติต่างภาษาเพราะมาเพราะได้ทราบจากธรรมทูตต่างประเทศของอินโดนีเซียคือท่านเจ้าคุณวัดบวรนิเวศที่จากธรรมามานงานเคยมาแสดงธรรมที่ล้มมะม่วงจากพระภิกษุอังกฤษเคยเป็นปนายทหารที่สงพรามโลกครั้งนั้นมาก็บอกกล่าวพวกอินโดนีเซียมาประเทศไทยให้มาวัดอัมพวัน มหาหลวงพ่อจรันเป็นต้นเขาจึงมาตามหมายการพร้อมกับผู้ทหารพเนจรพิชัยว่าเป็นล่ามและผู้ภาษายนยเสียดได้นี่แหละท่านญาติโยมทั้งหลายเห็นใจเถิดคนเดียวก็ต้องสู้และวันนี้วันธรรมทนะวันพระเขาก็รู้ว่าจะมาอยู่วัดก็มากันหลายทัพ โดยท่านเจ้าคุณพระครูพรมยานยิกร์เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์วัิรีวงศ์ใ้นามพระสงฆ์หลายสิบจังหวัดนักเผยแพ่อบรมที่นั่นของครงการศาสนาพาพระนั่นมาฟังอุวาตมารับพัฒนาศึกษาือเช่นเดียวกัน พ อ, อยังให้โอว่าไทยคติเกือนใจไม่จบที่อำเภอพนมศระคามพ่อดันเข้ามาหนึ่งรถบัสตางจุดประสงค์มาที่นี่ฟงังธรรมคุมาโศปฏิกาผู้มีปัญญาวัดธรรมนิกายอำเภอพนมศระคามจังหวัดฉะเชิงเศรฐท่านพระมหาสมพงศ์อาจารย์สมพงศ์ลูกท่านไปรลูกศิษย์วัดโสธร เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระธรร ม, มเสนานีตอนนี้ก็พารูศิษย์มาอุทิศกัดเคยไปพัฒนาที่นครนายกหาบาศกปฏิการเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากหลายคือท่านพระอาจารย์มหาสมพง์วันนี้อุตสาเชียอระนำญาติโยมมาลถบาสรถทั่วเสียยวเมืองเขียทองมาไกลหลายกิโลเมตร ก็จะถึงวัดวันนี้มาฟังธรรมะแค่ชั่วโมงขึ้นเท่านั้นยังต้องเสียเงินเสียทองมามากหลายเราอยู่ในวัดไม่อยากฟังบังหรือประการได้ขอฝากข้อคิดท่านไว้เป็นข้อวิจัยและวิเคราะห์ด้วยพระเผยแผ่นพัฒนาและดับจ เ, เจ้าอเภอเจ้าว่าถองสะบนหลายท่าน ภาคสึบภาคทีเบ็ภาคที่สองภาคเหนือภาคอีสานมาพร้อมหลายลูกผู้เชีย่ยวชาญชำนาญการด้านวิชาการทั้งสิ้นพระมหาป ร, รีญยนก็เยอะแต่มาทำไมว่ า, ม า, มารถมามาลุ้นหลวงพ่อวันอยู่แน่นแน่ในวันทําสนถะึงเสียสละการสวดมนต์ไหวพระทั้งหมดมาตรงด่วนมาที่วัดอัมพวันตนที นี่แหละเห็นใายตมาเธอะยังไม่ได้ว่าข้าวพอมาตรงขันเอาอยัางไงข้าวต้องรีบข่าหอประชุมมาให้โอวาทและสองผู้เป็นวิทยาก ร, ารสร้างภาษาศาสนากับความมั่นคงชาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพู่แต่เช้าเรื่องกิจกรรมของพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคม บายต้องไปพูดที่เทศบาลเมืองสิงบุรีเป็นวันเกิดของเทศบาลพูดเรื่องแผ่นดินทำไปยิงทองเพราะนายกเทศมนตีขอนิมนต์ีแหละญาติโยมเห็นใจัะมาเทอะเวลาพักก็ไม่มีแหละนี่มีความหมายและเราอยู่กับวัดของเราอยู่กใกล้ๆระโปรจะได้รับฟังบ้างตามที่ควร เขามาในแง่ที่ต่างๆเอาของดีของเราไปแต่เราอยู่ใกล้เกลืออยา ก, กินด่างให้มีน้ำใจมีความตูดโน้มน้าวอันนั้นแต่แล้วท่านมาพัฒนาศึกษาควรจะจำใส่ใจว่าเขามาทำไมเสียเงินค่ารถจากนครสวรรค์มานี่สี่กิโลต้องใช้เวลารถวิ่งรวมสองชั่วโมงท่านบอกอย่างนั้นตองเสียค่ารถ เียเวลาลงบทสดเสียเวลาสวดมนต์วชะด้วยไม่มาก็ขาดของดีจึงนีกยุดหน้ามาทันทีไม่จะรอหลีแต่ละการได้แล้วพนมสาะคามเพราะขามายึกโดยพระอาจารย์สมหาสมพงศ์หลูกศึกทลงปู่ธรรมเสนานีเจ้าคณะจังหวัดพระชุมครับหลวงพ่อโสธร น, นี่ อย่าอาววรหลงหลายเต่ประการไดตมาก็รู้สึกราบซึ้งดีใจ ไ, ได้ช่วยจังหวัดฉะเป็งเศรามากเขาจะมีเชื่อสายใช้โทรเป็นเล่ามาในวันนี้มีความหมายนะไอ้เชื้อนันต์ตานเมาเนี่ยขอเทียไอ้แค่ปอเซ่พูดกันไม่รู้เรื่องไอ้เชื้อใช้โทรถึงจะเปลี่หน่อยมีความรู้ดีแต่ยังไม่ได้ดีเพราะไม่มีปัญญา เอามักลั่นเอามากฟองเอามากเติมาเจาะเจาะให้ลึกเพื่อได้สะทึกหลักฐานซึงจะเป็นคนดีได้ดีกว่าให้ตอดสืบเชื่อน้าตาลเมาไม่เอาเนื้อใตา้พูดไปเรื่อยเรื่องเรื่องเวลาคนดีมีปัญญาพูดดูเรื่องงา่ายคนที่มีความรู้พูดเข้าใจง่ายรู้เรื่องกันดีมีปัญญาง่ายาถึงมีความรู้สูงแต่จิตใจไม่เอาไหน ก็ยังดูแต่เชื่อมตันเมาที่มีความรู้แค่ปอซื้อพอดีไม่ได้เครื่องไส้ทอมันเปรี้ยวกินไม่ลงเหมือนคนมีความรู้สูงเอามากลั่นที่เอามากลองเครื่อให้ได้ทานองทคำเป็นพฤติกรรมที่ดีแลว้วรับรองเป็นเล่าขุงก๊าซจะดีตีเท่าไรก็ได้อยู่ทุ่งกลัน่นทุ่งกลองอยู่ที่หมองไม่หมองใจ พลังปรองคราบว่าเกาะให้ลึกให้บันทึกรลัฐานในจิตใจของท่านท่านจะมีปัญญาเป็นบัณิตราชกุวีมีปัญญาแหลมลึกแหลมห ล, ลักฝักไปในเดิกมีความทสูงคนใคกล้เครียร์กินด่างอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีความเข้าใจไปที่หน้าเสียดายเวลาที่มีข้าวถึงมาก นาทีทองนะวินาทีเท่ากับหนึ่งตหนึ่งทองที่เราได้แล้วพื้นใจมากทำประโยชน์วินาทีได้หนึ่งตหนึ่งทองละคองไว้ในใจมีประโยชน์มหาศาลบางคนไม่สนบวชแล้วไม่สนใจตัวเองก็เป็นเรื่องของเทียนํำตาลเมาไม่มีขาวสะอาดหมดจดแต่ประการใด วันนี้อจะมาต้องใช้เสียงมากใช้สมองฝึกกรองตามวาะติคของผู้มาผู้มีปัญญาผู้สมองใสทางนั้นนักกวีจังนันผู้เชี่ยวชาญ น, นักเผยแพร่นักพัฒนาตัวยงในบ้านของท่านในจังหวัดของท่านภาคที่ภาคที่เภาคทสองหลายจังหวัดมากินมาฉันน้ำปนานะของเราดีใจมาก และยังอยู่ที่หอปชุมบัตรนี้สนันตคูณลาภธรรมนิเทศวัดบยอนิเวศอิหารท่านปริญญาต่างประเทศสอนมหาวิทยสองหมหากุฎมีความศึกษ์เป็นนักวิทยากรประจำโลกไม่ใช่ประจำประเทศนะครันการุุศามาถาวายความรู้ใครอยากรู้ก็ไปฟัง แต่เราเป็นตลาดวิชาการตลาดปฏิบัติการตลาดนโยบายการค้าของิีลิศการค้าของธรรมะของความดีมีปัญญาไม่มีคนซื้อเลยอยู่คนอื่นซื้อไปหมดน่าเิียดายนะน่าเิียดามากนักบริหารทุกท่านนักบริสุทิ์ทุกคนภุริรุนักสวัสดิการนักบริหารงานนักบริการนัก ผู้นำของท่านผู้นำของประชาชนผู้นำครอบครัวผู้นำของพนักงาโปรดมีความพิดเห็นนักบริหารนักธุรกิจนักสวัสดิการนักบริการนักท่องเที่ยวธุรกิจนักผู้แนะผู้นำผู้ปรามสุสานควรจะศึกษาข้อมูลเอามาเป็นบทนําชีวิต เอามาเป็นบทแก้ปัญหาชีวิตเป็นบทที่เริ่นต้นชีวิตและชีวิตลาเปลี่ยนทื่นบานในอนาคตวิชานั่นคือกรรมฐ า, านเป็นบทนำของชีวิตที่ดีที่สุดแต่เราก็ไม่เอาก็แก้ปัญหาไม่ได้นะวันนี้พระสององค์เจ้าคงไม่เสียค่านมันรเปล่าท่านชื่นใจกลับไปทุกทุกและดับเจ้าคณะอำเภอทั้งนั้น ระดับเจ้าคณะตำบลดำดับพระอุปชชัชฌาย์เีนักเผยแทร่นักพัฒนาตัวโยงมาได้จำลาของเราขนไปเยอะบอกหลวงพ่อคราบหลวงพ่อวันวันไ ม, เ ม, ไมเเ่เสียทีข่ารถไม่เสียเวลาเสียมนวัฒนาทั้งวันมาที่วีได้ของดีมีปัญญาไปาผมได้คิดมากหลายจากที่หลวงพ่อให้โอกาสอย่างนี้ มีประโยชน์นี้ใช่น้อยกลาเคืนก็ต้องขันไก่กลงวันก็ต้องขันตามยามตามเวลาไก่เ อ, อ๋ยไก่กอเอยกอไก่ต้อ ง, อองอลูกพ่อของกอไก่กขอกอกะมีความหมายไม่รู้เหตที่มาของไอ้กอไก่พอข อ, ขอคงไม่ได้คอขวดก็ไม่มีคอควายก็จน มีความหมายสืบสนอลมานอยู่ในใจของตนมีความหมายเช่นนี้ถ้าใครรักจะเล่นก็ให้เต้นเข้ามาอยากจะฟังก็ฟังเราพูดหลายแนวยะเรื่องเดียวเนื่อกรรมฐานเรื่องเดียวพูดลหลายอย่างเพราะผู้ฟังมีปัญญาไม่เข้ากาันอยู่ตรงนี้ไนงะหลายระดับปัญญาชนจะพูดอย่างไรแยกโยนกลประถาถา ให้เขาทราบเึื่อใจโดดเดินเพิญใจกลับไปมันเพิม่มมาเร็มบินมาจากดงดอนคร้าวคงเตสอนสวัสดีมีชัยไม่เสียค่ารถเปล่ไม่เสียค่ายานทานะมาไม่เสี ย, ยนะเวลาด้วยเสียเพื่อใดเสียเพื่อ ด, เ, เ, อดนเนี่ยไม่จะเสียศูนยอย่างที่บางคนต้องศูนเปลา่าหน้าเสียดายเวลาอันมีค่ามหาศาลอยู่ในผลงานของผู้บริหารงานผู้ธระชุด ผู้นำคนค่ะผู้นำเนะะี่ยก็ตัวยังต่ำต่ำก็น้ำตัวเอง